เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐขนาดใหญ่มีนักเรียนเข้าศึกษาหลายพันคนซึ่งน่าจะมีระบบระเบียบที่ซับซ้อนจนทําให้อาจารย์ท่านหนึ่งอึดอัดอาจารย์ท่านนี้มีชื่อว่าอาจารย์อนุสอ์ท่านเป็นคนเล่นดนตรีเก่งเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แต่หลงไหลในการเล่นดนตรีไทยเป็นคนดีมีน้ําใจ มีแต่คนนับหน้าถือตายิ้มเก่งอธัธยาศัยดีเยี่ยมจึงไม่แปลกที่อาจารย์ด้วยการและลุศิษฐ์จะรักแก่แต่ภายใต้รอยยิ้มอาจารย์อนุสอนยังเป็นคนที่มักจะเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวไม่แม้จะปริบปากกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวจึงไม่มีใครร่วงรู้เลยว่าอาจารย์อนุสอนจะทำสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดนี้ได้ด้วยความน้อยใจในระบบระเบียบของราชการ และผู้บริหารในสมัยนั้นอาจารย์อนุสร์คิดสั้นด้วยการฆ่าตัวตายได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าอาจารย์ได้ทําจดหมายแจ้งผู้บริหารและอาจารย์คืนทรัพย์สินของทางราชการคืนทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้ติดค้างแม้กระทั่งคุรุพันธ์ที่ยืมมาก็ทําเรื่องคืนให้กับทางราชการทั้งหมดในจดหมายเขียนบรรยายความรู้สึก แม้กระทั่งเหตุผลในการฆ่าตัวตายอาจารย์อนุสรก็ยังเขียนไว้ด้วยนอกจากเขียนจุดหมายแล้วอาจารย์อนุสรยังมีโทรศัพท์มือถือที่คิดว่าหากเขาตายต้องมีคนมาตามหาศพอาจารย์อนุสรจึงนําโทรศัพท์มือถือไว้ที่ตัวเองเพื่อให้คนโทรหาวันนั้นทั้งบ้านของอาจารย์ได้พยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ครอบครัวจึงได้มาที่โรงเรียนเพื่อมาติดตามว่ามีใครเห็นอาจารย์อนุสอ์ไหมหรือว่าแกนั่งทํางานอยู่แต่ยังไม่กลับบ้านช่วยไปดูให้หน่อยแม่บ้านแล ะ, ละรอพอของโรงเรียนจึงขออาสาไปติดตามเจ้าหน้าที่ทั้งสองจึงแยกกันหาเดินทั่วโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําในสนามในห้องธุรการที่ครูอนุสอนมักจะไปบ่อยแต่ก็ไร้วีแววจะเหลือแค่ห้องเดียวคือห้องประชุมใหญ่ ที่จะอยู่ใกล้กับห้องดนตรีสากลที่อาจารย์อนุสร์มักจะไปเหมือนกันในระหว่างที่รอปภกำลังเดินตามหาก็โทรศัพท์ติดต่อไปด้วยเผื่ออาจารย์จะรับสายและเมื่อเดินเข้ามาใกล้อาคารหอประชุมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์รอปภจึงเดินตามเสียงโทรศัพท์นั้นเดินไปจากชั้น1สู่ชั้น2เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเรื่อยเดินต่อจากชั้น2ต่อไปที่ชั้น3โทรศัพท์ยิ่งดังขึ้น ขึ้นรปภคิดในใจว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาผากลแน่ๆเกิดขึ้นกับอาจารย์อนุสอนโทรศัพท์ดังขึ้นขนาดนี้ทาไม่แกถึงยังไม่รับสายราปภยังคงเดินไปตามเสียงนั้นเสียงมาจากห้องดนตรีสากลรปภคิดในใจจึงโทรเรียกแม่บ้านที่ไปตามหาอีกทางหนึ่งไปดูด้วยกันเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้เมืแม่บ้านมาถึงจึงโทรศัพท์เข้าไปที่โทรศัพท์ของอาจารย์อนุสอนอีกครั้ง แม่บ้านบอกว่าเสียงมาจากห้องดนตรีสากลนี่รปภอตอบชัยถึงเรียกแกมาดูด้วยกันนี่แหละเสียงโทรศัพท์ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจนรปภและแม่บ้านมาถึงห้องดนตรีสากลส่องดูช่องประตูที่มีกระจกอยู่ตรงกลางทำเอาต้องคู่แทบช็อกเพราะภาพที่เห็นคืออาจารย์อนุสอนใช้สายไฟผูกคอตายกับหน้าต่างในสภาพที่นั่งกับพื้นลิ้นจุก ป, ปากตาถลน ร่างกายเขียวชำ้ำข้างๆมีจดหมายเล็กๆวางอยู่การฆ่าตัวตายมีความเชื่อกันว่าวิญญาณจะวนเวียนอยู่แถวนั้นจนกว่าจะหมดอายุไขจากนั้นจึงจะไปชดใช้กรรมในสิ่งที่ตนเองทำไว้และดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นมักจะมีคนเห็นอาจารย์อนุสรมาปรากฏตัวอยู่บ่อยๆในช่วงเวลาพลบค่า หากมองไปที่อาคารห้องประชุมก็จะเห็นคนเดินอยู่ข้างบนเป็นเงาดำๆแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นแบบจระจแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งดังมากในโรงเรียนแห่งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมปี254ที่โรงเรียนถูกตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีการกางเต็นท์ให้เป็นที่พักชั่วคราวในอาคารหอประชุมที่ติดอยู่กับห้องดนตรีสากลสถานที่ที่อาจารย์อนุสอ์ ใช้เป็นห้องปิดชีวิตตัวเองผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่มาอาศัยโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่พักชั่วคราวมาเล่าให้อาจารย์ที่ดูแลศูนย์ฟังว่าครูที่นี่ดูแลดีมากดูแลตลอดเวลาเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังเดินมาดูเดินมาตรวจครูที่ดูแลศูนย์จึงถามออกไปว่าครูคนนั้นแต่งตัวยังไงบ้างลักษณะแบบไหนผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังว่า แต่งชุดข้าราชการรูปร่างท้วมใส่แว่นครูผู้ดูแลศูนย์ตกใจแต่ก็เก็บอาการไว้เกรงว่าผู้ประสบภัยจะกลัวเพอะลักษณะที่เล่ามานั้นก็คือลักษณะของอาจารย์อนุสอนนั่นหมายความว่าคุณครู ย, ยังคงอยู่ยังคงห่วงหาโรงเรียนแห่งนี้และยังมาช่วยดูแลผู้ประสบภัยโดยตัวเองและจากการสอบถาม ของผู้ที่พบเจอวิญญาณของครูอนุสร์มักเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันคือครูมักจะมาช่วยเหลือมากกว่าที่จะมาเพื่อลอให้ครูและลูกศิษย์กลัว